พระธรระเทศนาผ่านที่81กำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงทําในวันที่10กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าใจมนุษย์ยากแท้อยาก วันนี้เป็นวันที่สิบกันยายนพุทธศักราช2558วันที่วันวันพรุ่นี้เป็นวันโกนวันที่วันมะรือนนี้เป็นวันวันที่สิองเป็นวันพระและเป็นวันวันพระพิเศษทางอีสานเหนือของพวกเราเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศล แล้วว่าวันทําบุญข้าวประดับดินวันที่สิบสองกันยาตรงกับวันพระใหญ่วันพระเดือนเก้าดับเดือนเก้าดับเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็วัดของเราก็ให้เตรียมพร้อมนะจะบินทบาทรอบสล า, าบินทบาทรอบสลา บิณฑบาตในวัดในประกาศให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมในละแวกหรือท้องถิ่นหมู่บ้านที่พวกพระบินธบาตรแกให้มาใจบาตรในวัดวันที่สิบสองหรือวันวันเดือน10บแผ่นแล้วก็วันออกพรรษาวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พวกเราทํากิจกรรมร่วมกันตักบาตรในวัดแล้วก็ให้พวกเราพร้อมเตรียมพร้อมพวก ตกงตะกาอย่างที่พวกเราเคยปฏิบัติมานั่นแหละอย่าให้ขาดตกบกพร่องทา <c oughs> งฝ่ายพระก็ช่วยๆกันดูพี่น้องประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากวันที่วันที่สิบสองและก็วันที่สิบสามเป็นวันอาทิตย์เป็นวันพระอุโบสถนะทนนีวันที่สิบสองเป็นวันพระของโยมวันที่สิบสามพระลงอุโบสถพระก็อย่าลืมบอกกัน อยากได้คอยกันวันที่สิบสามเที่ยงลงอุโบสถนะแล้วก็ตอนเช้าจะมีการบวชพระหนึ่งองค์แล้วก็ตอนบ่ายก็จะมีพวกคณะจากอุดอรมาประมาณสักี่ห้าร้อยคนมงฟังๆที่แจ้งข่าวมานะพวกเทศบาลหนองสำารงให้ <c oughs> ช่วยๆกันดูอีกมั่นการอนะนะจุดนั้นคนหมู่มาก อย่างน้อยก็มีน้ำแข็งมีน้ำดื่มต้อนรับครูคนเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็วันนันะวันที่สิบสามจะมีการบวชพระบวชพระได้ไหมนในปัรษานะถ้าไม่บวชปรับอบัตทุกกฎนะพระพุทธเจ้าบัญญตจัดวินัยพระตนบัญญัต นางวิสาขาอย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้พวกเราท่านทัน้งหลายฟังนะเพราะนั้นวันที่สิบสามเราจะบวชก็ไม่ใช้เวลาไม่ไ ม, ไม่ไม่นานประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วบวชพระองค์เดียวนะแล้วก็วันนี้วันที่ส0บที่หลวงพ่อได้บอกกล่าววันที่หกที่ผ่านมา หลวงพ่อก็ได้ยินคนที่มาเกี่ยวข้องคนนั้นก็มาพูดคนนี้ก็มาพูดเพราะหลวงพ่อไม่ใช่พระประธานใช่ไหมพระอยู่กับลูกกับหลานกับคณะสัต ย, ยาญาติโยมคนนั้นก็มาพูดให้ฟัง <c oughs> แต่หลวงพ่อก็มีหูสองข้างก็ฟังฟังบอกว่าล่างรัฐธรร ม, มนูญมาแต่งแต่ริเริ่มกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองร้อยกว่าคน ก็บอกคัดเอาหัวกะทิเอาหัวกะทิคันเอาหัวกะทิของประเทศแต่และจังหวัดมารวมกันแล้วออกกฎหมายมีหลายระดับมาไปชุมกันแล้วก็ออกกฎหมายแล้วก็มาโหวตในกลุ่มกันแล้วก็มาคว่าเรือก็มาคว่าําวันที่หกที่ผ่านมาผู้เห็นด้วยน้อยกว่าผู้ไม่เห็นด้วย ทั้งที่หัวกะทิด้วยกันหลวงพ่อวัดมันคิดได้ยังไงให้หลวงพ่อว่านะเสียเงินประเทศชาติเสียเงินภาษีพวกเราแต่ทําไมถ้าหากว่าร่างขึ้นมาแล้วเนะี่ยเออมาตราอย่างนี้อย่างนี้ประชุมกันเจดวันเอาไม่เห็นด้วยนะไม่โหวตมาเป็นระยะระยะไม่เห็นด้วยเอาไม่เห็นเลยเอาลงหนังสือคัดค้านขึ้นมาจดหมายคัดการข้าพรเจ้า นายนางนามสกุลอย่างนี้ร่างกฎหมายอย่างนี้ขึ้นมาข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยนะถึงวันนั้นข้าพเจ้าคัดค้านนะไม่เห็นด้วยทางที่ถูกต้องน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คัดค้านเขาไปสแสดงความคิดเหตุ ด, ด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะมาทำความเข้าใจกันอีกทีนะึ่มาทกเถียงกันอีกทาไมามันส่วนที่ยังไงมันส่วนเสียยังไง เสร็จแล้วามาตราที่เท่าไรเอาพูดกันมาก็พวกเราให้พวกท่านไป ร, ร่างกฎหมายนี่ก็ไม่ได้ให้ไปทำไร่ทำนาใช่ไหมแต่เงินกินเงินภาษีไม่ใช่ร่างฟรีอีกต่างหากเอาเงินจ้างอีกต่างหากให้ไปร่างกฎหมายเพื่อบกค้องปกครองประเทศชาติแต่ตามไม่จริงถ้ามาตราไหนทีไ่ไม่ถูกต้องอก็คัดค้านในเดี๋ยวนั้นเลย แก่เป็นระยะ ะ, ยะพอสุดผลที่สุดเอายกมือเพียบเลยไม่มีใครคัดค้านเห็นด้วยกฎหมายมันจึงจะถูกหลวงพอว่ออันนี้ถ้าทำอย่างนี้น ะ, นะ เ, เหมือนกับอะไร เ, เหมือนกับเด็กเข้าไปแล้วก็คนหนึ่งเห็นด้วยคนหนึ่งไม่เห็นด้วยคนหนึ่งผลประโยชน์คนหนึ่งไม่ผลประโยชน์หลวงพอ่อฟังฟังดูแล้วที่เขามาบอกให้หลวงพ่อฟังหลวงพอ่อ ประเทศชาติบ้านเมืองจะทำยังไงถึงจะไปได้ดีสรุปแล้วคือคือไม่เอกระฉันอ่ะอามันน่าจะดีกว่านี้น ะ, ะหลวงพอกิดว่าน ะ, ะผมพออยู่ในป่าก็ค่งดูดูแล้วหรือมันจะเข้าตำราที่ท่านดกเตอร์ท่านหนึ่งที่มาพูดไม่นานมานี่ท่านบอกว่า สมัยผมเป็นเด็กผมผมเรียนเก่งนะเพราะว่าท่านจนจะเป็นด็อกเตอร์นะก็คงจะมีแววแววการศึกษ า, เ, าเรียนเก่งพูดเก่งอีกต่างหากก็เลยพ่อพ่อเลยถามเอตั้งแก่ใหญ่แกเธอเธอเนี่ยนะแก่ใหญ่ขึ้นมาเธอจะเป็นอะไรจะทําจะเป็นตำรวจทหารพิภากษายาการจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นอะไรอท่านด็อกเตอร์คนนึงสมัยเป็นเด็กผมเป็นจะเป็น นักการเมืองครับเพราะผมเห็นนักการเมืองพูดในสภาเนี่ยรู้สึกผมชอบใจครับผมจะเป็นนักการเมืองนะทางลูกชายทางผู้พ่ออะไรบอก่าเออมานี้มาเนี่ถ้าจะเป็นนักการเมืองนะเดี๋ยวพ่อจะสอนให้จะเป็นนักการเมืองที่เก่งกาจที่เป็นนักการเมืองที่เก่งกาจพ่อจะสอนให้แต่นักการเมืองที่ดีทำยังไง นักการเมืองที่เก่งทำยังไงนักการเมืองที่เก่งนักเขาที่เก่งคิดต้องคิดอย่างหนึง่งแล้วก да ท็ทำอย่างหนึง่งแล้วก็โพดอย่างหนึง่งคิดอย่างหนึง่งทำอย่างหนึง่งโพดอย่างหนึ่งอันนี้แหละเป็นนักการเมืองที่เก่งกาดแต่นักการเมืองที่ดีคือคิดพูดทำอย่างที่ตัวเองทำแต่นั้นไม่ดังนะไม่ดังแต่สู้นักการเมืองที่ คิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไม่ได้อันนี้อันนี้เก่งกาดดังกว่านะพ่อสั่งพ่อสอนผมนะลหลวงพ่อได้ยินเอ๊ะมันจะเข้าข่ายนั้นหรือเปล่านะ่ะคล้ายๆวันนักการเมืองเนะี่ยกล่อนไปกรล่อนมาและอีกอย่างหนึ่งเเมื่อสามสี่ปีให้หลังหลวงพ่อไปกราบคาวะนี่แหละในช่วงเทศการข้อพันษายอย่างนี้นกับคณะไปหลายองค์หลวงพ่อจู่ทำหลวงพ่อบุญมีนะี่พระไป ไปกราบหลวงปู่ทุยโลงสีฉมพูหลวงปู่ทุยกันก็เลยยกประเด็นขึ้นมาบ้านเมืองทุกวันนี้แย่มากเนี่ยบอกนะหมูเพื่อนนะคำอินนะ น, น้องอินนะนถ้าหากว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็าตามถ้าไปถ้าไปเป็นผู้แทนถึงสามสมัยแล้วนะครบไม่ได้นะเอาทำไมครับหลว ง, ง, ง, งปู่ครับ มันก็ล่อนไปก็ล่อนมาเ น, นักการเมืองเนี่ยเท่ า, าั้ น, นะเออคบไม่ได้ถ้าเป็นผู้แทนถึงสามสมัยแล้วนะหลวงพ่อก็มาคิดอยู่มันก็เข้าอิหลบที่บทเทๆที่ท่านดกเตอร์พูดให้ฟังก็มังอันนี้ก็ให้ฟังไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายพอลูกพวกเราอยู่ในชุมชนกลุงหลวงพ่อได้ยินอะไรมาหลวงพ่อก็มาเล่าเล่าให้พวกลูกพวกหลานฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษานะ ใช่พวกเราได้ศึกษาให้เรียนรู้เอาไว้โลกนะั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละจะไปไหวใจร้อเปอร์เซนกับคนที่มีกิเลสมันยากอยู่เหมือนกัน่เดี๋ยวก็ผลประโยชน์นั่นเดี๋ยวก็ผลประโยชน์นี่เดียว ก, ก็กลุ่มนั่นเดี๋ยวก็กลุ่มนี้ไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรฝังซ่อนเลนส์อยู่ในส่วนลึกของ จ, จิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปฉันจังหารที่บ้านของนายเป็ดสะ ไปศาสตร์ที่กุงรัตจะคือไปศาสนีเป็นนายสารถีเป็นผู้เป็นผู้ฝึกหัดช้างนะหัดถีในายนายหัตถีนายเหตถีคือเป็นผู้ฝึกหัดช้างของพระเจ้าแผ่นดินถช้างตัวไหนมาเนี่ยถ้าผ่านนายหัดถีคนนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกั น, นแต่นี้พระพุธองเขาพันเขาขรนิมนต์พระพุธองไปฉันอยู่ที่ แบ้านของเขาเอาพระพุทธองค์ก็ถามว่านายหัดถีเธอฝึกหัดช้างเธอฝึกหัดอย่างไรไม่ยากพระเจ้าค่ะอไม่ยากพระเจ้าค่ะเรื่องฝึกหัดช้างแต่ฝึกหัดคนนะยากกว่าพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์เห็นพระพุทธองค์ฝึกหัดคนนะเนี่ยพระสงฆ์อยู่ในเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์เนะี่ยอยู่ในความสงบเน่ง เห็นแล้วก็น่าเคารพนับถือเลื่อมใสอที่พระองค์ได้ฝึกหัดไปเฉพาะสาวกสังโฆ เ, เป็นที่เคารพแต่ข้าพระองค์ฝึกหัดช้างเนี่ยมันมันมันไม่ลึกนะมันไม่ลึกเหมือนมนุษย์พระเจ้าขา่าแต่มนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นลูกน้องของข้าพระองค์เนี่ยฝึกหัดยากมาก แต่พระ อ, องค์ใช้พิธีการยังไงฝึกลูกน้องลูกศิษย์ของพระพุทธองค์แต่ข่าพระ อ, องค์ฝึกขัดช้าง อ, อีกแนวหนึ่งแล้วก็ดูแล ล, ลูกน้องบริวารอีกแนวหนึ่งแต่ฝึกขัดช้างไม่ยากเพราะอะไรเพราะอากับกิริยาของช้างเนี่ยถ้าช้างไม่พอใจก็รู้ได้เลยว่าช้างไม่พอใจอหูมันจะกลางถ้ามันโกรธมากมันก็จะม้วนงวงเข้าไปในปากของมัน ตาจ้องตาหูมันกึ้งหูมันเออมันก็ทับมันก็ทบหูแหละเดินออจังกล้าเลยไปแสดงว่าช้างไม่พอใจอย่างมาก เ, ออเราก็ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นให้มันให้ลดให้ลดมันให้ลดความรู้สึกมันลง เ, ออเราจะทำยังไงจัดการยังไงออพอไดุู้ ก, กสอนมันได้ ทำให้พอใจยังไงขนาดใดขกระเนิดเนินเก็ต้องใช้วิธีการเอาชนะมันได้เรารู้รู้ได้เร็วรู้ได้ว่าช้างไม่พอใจช้างพอใจช้างไม่พอใจเอรู้ได้เห็นได้มันตื้นครับผมแต่ลูกน้องของข้าพระ อ, องค์เนี่ยโ อ, อ้บอกกันแล้วบอกทําอย่างนี้อย่างนี้นีคนะครับครับครับผมครับผมเจ้าข้าเจ้าข้าอแต่พอมันทําไปแล้วมันไปอีกแบบหนึ่งเอลเนี้ย ข้าพระองค์บอกว่าช้างในตื้นมนุษย์ในลึกหัวใจของมนุษย์เนี่ยความรู้สึกของมนุษย์เจ้าเอาอะไรไปอย่างไม่ถึงทั้งนั้นน้ำมหาสมุทรทะเลเขายังอย่างลึกลงไปได้ว่ามันลึกขนาดไหนแต่หัวใจของคนเนี่ยมันลึกกว่านั้นพระเจ้าข้าเนี่ <c oughs> ท่านพูดในพระไตรปิดกอันนี้ก็พวกเราก็ฝังไว้นะคณะ ท, ะทาญาิโยมลูกหลาน คนนั้นไว้ใจทางวางใจคนจนใจเราอย่าคนโบราณคําพังเพยของเมืองไทยของเราก็พูดอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อได้พูดแต่ธรรมะอย่างอื่นแต่ทางโลกเนยหลวงพ่อรู้ไหมก็รู้อย่างที่หลวงพ่อได้รู้ได้สังเกตให้ในลูกในหลานได้ฟังเนี่ยแหละแต่ถึงยังไงก็ตามให้พวกเรามองดูตน ด, ด, ดูตัเองนะ ถึงจะใครจะเป็นยังไงก็ตามโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ ต, ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะตามประวัติศาสตร์ก็ยิ่งดุร้ายกว่านี้อีกตั้งเยอะแยะไปแต่อันนี้เพียงแต่เพียงแค่นี้ยังปัปติวนะปะเดี๋ยวประดาวนะแต่ต่อไปภายภาคหน้าก็ไม่แน่อะไรจะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มันมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อความขัดแย้งก็มากถ้านสองคนการทะเลาะ ก, ากันเขาอบไม่มากเท่าไหร่ ถ้าว่าคนหนึ่งตายไปแล้วทํำไงกูอยู่คนเดียวนะเอก็ต้องอาศัยมันเหมือนกันนะขนาดผิดใจขนาดไหนกันถึงก็ยังหยืนอยู่กันได้เพราะมันน้อยคนใช่ไหมถ้ามันหลายคนขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกเอถ้าไอ้นี่มันเกิการข่ามันทิ้งซะออยู่ด้วยกันเอนี่แหละเพราะนั้นมนุษย์ของเราถ้ามันอยู่มากมายหลายมันเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าอยู่น้อยคนก็ไม่เป็นไรถ้ามันหลายคนขึ้นมานะกีดเลส โลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์ชาติมันเยอะเหลือเกินเนียอย่างองค์ลงตาที่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังกั น, น่าฟังของท่านนะหลงตาบอกว่าคนที่หลับสนิทกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหลายเนี่ยไม่รบกวนในขณะที่คนหลับสนิทไม่ใช่คนหลับหลับแล้วฝันนะ ถ้าคนแล้วหลับเราฝันละเมอไปอีกไม่เอาเหมือนกันนะอันนั้นทุกข์อีกเหมือนกันนะอย่างเวลาเรานอนหลับแล้วผีเข้ามาเกียบมานั่งหน้าอกมาอนะไรเนี่ยนั่นแนหะทุกข์มากเลยใจจะขาดอีกต่างหากเอเพราะอะไรพ้อมหลับไปแล้วฝันฝันละเมอเนะี่ยทุกข์นะอหลวงตาท่านเปรียบเจว่าหลับสนิทนะคำว่าหลับสนิทคํานี้แข็งกว่านอนไปแล้วหลับเลยหลับไม่ฝันเลยโรงงานะนี่ยหละ กิเลสราคะโทสะโมหะไม่รบกวนขณะที่หลับสนิทนั่นหละคือเป็นความสุขของมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบก็ว่าเหมือนกับนิพพานแต่มันตายไม่ก็ไม่ตายก็ยังอยู่แต่มันหลับสนิทถ้าหาว่าตื่นขึ้นมาแล้วพอตื่นปุบ๊บขึ้นมาไม่รู้เรื่องอะไรตรัวเรื่องอะไรจะเข้ามาบางทีกิเลสราคะเข้ามาเขย่าบางทีกิเลสโทสะเข้ามา ขยาบางทีกิเลสโลภเข้ามาโกรธเข้ามาหลงเข้ามาขยา่า จ, จิตใจของเราเนี่อแปลว่าจิตใ จ, จของเราเนี่ยไม่รู้จะหมุนไปทางไหนเอเหมือนกับเอหมาตัวเดียวเนี่ยหมาตัวเดียวแล้วเหมาหลายตัวกิเลสหมาตึงราคะหมาตึงโทสะหมาตัวหนึ่โลภะหมาตัวหนึงโมหะหมาตัวหนึ่งมาลุมกัดน่ะ มากลุ่มกัดใจของเรานะ่ะใจของเราหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ตลอดทั้งวีทั้งวันนะ่ะเอถ้าเรามีสติเราจะมองเห็นนะสัตายาติโจมทั้งหลายนะนั่นแหละกิเลสราคะโทสะโมหะมันมาเล่นงานที่ใจของเราถ้าใจของเราชําระออกเท่าไหร่ใส่กรอบใส่กรงไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาได้จิตใจบริสุทธิ์จิตใจเป็นเอกเทศจิตใจเป็นอิสระนะี จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะเพราะไม่มีอะไรมาลบมาลบกวนะนี่แหละแต่ถึงยังไงเราต้องมีวิธีกรรมวิธีกรรมคือสัมสมาธิตามแนวแถวของพุทธะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราศึกษาจุดนั้นนะให้ศึกษาวันนี้หลวงพ่อคงไม่พูดอะไรมาก เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในแนวหนึ่งวันนี้นะให้ฟังฟังดูนะลูกหลานนะพวกเรามีหูสองข้างมีใจอยู่ดวงเดียวนะมีหูสองข้างมีใจอยู่ดวงเดียวได้ยินอะไรมาฟัง อ, อตาให้ดูหูให้ฟังใจให้สําเนียกนึกคิดผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรม ใครพูดผิดใครพูดถูกใครพูดเป็นธรรมใครมูดไม่พูดไม่เป็นธรรมมีอะไรแอบแฝงซ่อนเล่นหรือเปลา่าในเรื่องอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใช้ปัญญาเพราะเราอยู่ในโลกเนี่ยมันมันมีมากหลากหลายเหลือเกินนานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความเห็นนะ